ธรรมชาดกแผ่นที่8ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่11เมษายน2554มีชื่อเรื่องว่าพระอินสงสารลูกนั่งสบายๆนะนั่งสบายสบายนะ หลียวหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศิลป์ให้แก่พวกเราพนะกชัติไญาติโยมลูกหลานให้รู้จักคุณค่าให้รู้จักคุณค่าของศิลปให้รู้จักวิธีการรักษาศิลป์ศิลป์มีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่าอย่างไรอย่างวันนี้พอเข้ามาวัดจุดทูบเทียนไหว้พระ เสร็จแล้วก็อาราธนาศิลป์ถือว่าเป็นวันวันนี้ถือว่าเป็นวันสาคัญยิ่งวันหนึ่งคือวันปีใหม่ไทยวันนี้เป็นวันที่11อวันที่11เอเมษายนพุทธศักราช2 5 5 4อวันที่12วันที่13ก็เป็นวันปีใหม่ไทยวันนั้นวันนี้คณะทายาทโยมมีท่านนายอำเภอ นายูงของเราแล้วอบยจ อ, อำเภอนายูงแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยได้ร่วมกันทาพิธีมามุดน้ำดำหัวตามประเพณีคือว่าเคารพครวะพระสงฆ์ในท้องถิ่นคงจะมาเคารพครวะวัดของหลวงพ่อหรือวัดต่างๆในถิ่นนี้ วันนี้ก็คือพวกคณะสัตยาติโยมได้ร่วมกันมาแล้วก็ในที่ผ่านมาก็ได้กราบรัธนาศินหลวงพ่อจะได้นํากล่าวสมาทานศินก่อนที่จะสมาทานศินหลวงพ่อจะทําความเข้าใจกับคณะสัตยาติโยมลูกหลานพราะลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังพอเกิดขึ้นมาแล้วก็พอรู้เรียงสาภาวะก็ส่งเข้าโรงเรียน อนุบาลปถมมัธยมต่อไปก็เรียนปริญญาตรีโทรไปเรื่อยแล้วก็ทำการทำงานที่จะได้ไฟในการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีน้อยมากเพราะนั้นพวกลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็เลยไม่รู้คุณค่าของศีลธรรมทำให้ห่างเหินศีลธรรมในเมื่อห่างเหินศีลธรรมแล้ว ถ้าผลออกมาส่วนรวมแล้วก็ไม่เป็นผลดีเพราะว่าคนเราเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้คิดถึงใจคนอื่นเขาคือไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีกระทำให้ชุมชนของพวกเราเดือดร้อนหาความสงบรล่มเย็นเป็นสุขได้ยากเพราะใดเพราะขาดศีลธรรมเรื่องศีลธรรมและกฎหมายเกี่ยวเนื่องกัน แต่เรื่องศีลธรรมนั้นจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกว่ากฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองนั้นถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบดูกฎหมายบ้านเมืองก็คือคุ้มครองในที่แจ้งถ้าหากว่าในที่มืดที่ลับที่ลับที่มืดคืออะไรก็คือถ้าเราไม่มีสักขีพยานไม่มีพยานเห็นตัวตนก็เอาโทษเขาไม่ได้เอาผิดเขาไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเขา หลบเลี่ยงกฎหมายดีก่อนที่เขาจะทำจะฆ่าจะแกะะล้งจะก้นจะรักจะขโมยเขากดวางแผนดีซะก่อนจนตำรวจเอาหลักฐานมาจับไม่ใช้โทษเขาไม่ได้อันนี้คื อ, อกฎหมายนะก็คือคุ้มครองในที่แจง้งแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครเห็นแล้วคุ้มครองไม่ได้แต่ศีลธรรมของพระพุทธเจ้านะออกมาจากใจถ้ า, าว่าเราคิดผิดแล้วต้องผิด ในเมื่อกระทำออกไปก็ต้องผิดในเมื่อพูดออกไปก็ต้องผิดเพราะอะไรเพราะมันผิดอยู่ในใจอย่างคิดเราจะคิดไปฆ่าเขาย่างีหยในเมื่อคิดไปฆ่าเขากับคิดมันก็ผิดแหละถ้าเขามาคิดฆ่าเราล่ะถ้าเราไปคิดฆ่าเขาล่ะถ้าเขามาคิดฆ่าเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละคิดก็ผิดแล้วกายวจีไอ้มโนกรรมถ้าหากว่าไปทำไปทาเขาเข้าเรียกว่ายากรรม ถ้าไปพูดคู่ข้อตะกรอนยังค่อยข้างเรียกว่าว่าจีกรรับไฟนั้นทั้งสามอย่างถึงใครไม่รู้หรือไม่รู้ก็าตามแต่ตัวเองรู้ว่าตัวเองคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรในหลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้พูดว่าเหมือนกับเราไปจับไฟในห้องเราจับไฟในห้องคนเดียวปิดประตูหน้าต่างมิดชิปเราไปจับมันร้อนไหมมันก็ร้อน เพราะอะไรเพราะมันเป็นไฟจับในที่สาธารณะร้อนไหมร้อนเพราะอะไรเพราะมันเป็นไฟจับที่ไหนๆก็ร้อนใช่ไหมใช่เพราะมันเป็นไฟนี่ก็เหมือนกันถ้าว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีในที่สาธารณะก็ดีในที่รับที่แจ้งที่ไหน อ, อก็ร้อนทั้งหมดผิดทั้งหมดเพราะเอะไรเพราะทําความผิดนี่แหละ หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนเนี่ยคุ้มครองในที่รับในที่แจง้งในพระธาตุาทำในที่นับที่แจ้งในที่ไหนๆก็ตามถ้าทําความชั่วแล้วเป็นบาปเป็นกรรมทางนั้นไม่เลือกเว้นเหมือนกับไฟคือบาปกรรมในเหมือนกับไฟเสมอภาคเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่คุ้มครอง จิตใจของพวกเราเพราะนั้นศีลและธรรมที่พวกเราจะได้รับไปเนี่ยศีลห้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังไม่ได้สนใจเรื่องศีลธรรมบางคนก็ไม่ได้บวชแต่ถึงจะบวชก็เถอะก็ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดก็ยังไม่ลึกซึ้งพอบวชไปแล้วก็เรียนศึกษาไปทางอื่นซะก็ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดของศีลตามไม่จริงศีลธรรมเนี่ย มันอยู่กับตัวของพวกเราถ้าเราศึกษาดีแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติก็เห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษในเรื่องของศีลอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำกล่าวว่าณโมณนะโมตัสสะปะก ว, วาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเพียงแค่นี้พวกเราก็ยังไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมจึงกล่าวณโมณนะโมนะี่แปลว่าอะไรมีความหมายอะไรณนะโมนะ นโมตัดาเนี่คือความแปแลหรือความหมายในพระบาลีเขาบอข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็คือพระพุทธทเจ้านั่นแหละคือเป็นผู้ประกาศพระศาสนาเป็นผู้บัญญัติศีลธรรมให้แก่พวกเราได้ประพฤติธปฏิบัติอันนี้แหะคือพระพุทธทเจ้าเพราะนั้นก่อนที่เราจะรับศีลก็คือความคิดของพระองค์ ออหรือว่าผลงานของพระ อ, องค์ที่ได้ไปค้นคว้าศึกษาแล้วนำมาบัญญัตออินำมาตั้งกฎเกณฑ์นำมาแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทของพระ อ, องค์ให้เข้าใจว่าศีลธรรมเนือว่าคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่พระ อ, องค์ได้บัญญัติศีล ส, สมาธิปัญญามีมากมายในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นศีลเป็นธรรม อยู่ในนั้นเสร็จมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นเสร็จในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะรับสินห้าเนี่ยเราก็ต้องกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าเป็นบรมวครูต้นศาสดาต้นต้นพระพุทธศาสาานาก่อนจังหวัดนะโมตัศะพระคขาว่วาตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธทัตตะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระภู้มีพระภาคกรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็พูดถัง ธรรมังสังขังสระนังคัดฉามิดุติยำปีพุทธังธรรมังสังขังตาติยมปีพุทธังธรรมังสังขังสระนังคัดฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสวงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่เพ่งอันนี้พระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าเป็นบรมครูเป็นาศาสตาเป็นตนระพุทธศาสนาพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติให้พวกเราได้ปพติปฏิบัติมีมากมาย พวกเราเห็นด้วยในพระธรรมวันนั้นเราจึงยึดพระธรรมเป็นสาระพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากพระสงฆ์แล้วเราก็ไตร่ตรองเหตุและผลตามที่พระสงฆ์ได้แนะนําเราก็ยอมรับว่าอื่นทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเราจึง ยกจ่องนับถือยึดพระสงฆ์อีกเป็นสารณะเพราะว่าถ้าไม่มีพระสงฆ์นำพระธรรมมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงยึดยึดพระสงฆ์ว่าเป็นพระคุณเป็นผู้มิพุนอย่างยิ่งกับเราจึงยึดพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง อ, อันหนึ่งันนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องยิ่งว่าพุทธทางธรรมังสังฆสาสรณะกชามิจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์สิลปานาติปาตาเวรมณีศิขาปทางสามาติยามิ ข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าเราไปฆ่าคนอื่นเขาเราก็ไม่มีความรู้สึกเพราะการกำลังฆ่านะั้นบางทีก็ต้องการบางทีโมโหโกรธาโกรธแค้นให้แก่เขาแล้วก็ทาไปด้วยความไม่คิดไม่ยับยั้งทางจิตใจพอทำแล้วก็แล้วไปแต่ในใจก็บางทีก็หายโกรธลงไปบ้างแต่ทีนี้ถ้ามาคิดย้อนกลับมาอีกทีถ้าเขามาฆ่าเราละ่ะ เมื่อเราไปฆ่าเขาเขาเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศาระฆนาญาศเขาเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาระฆนาญาศของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็เสียใจมากเพราะเหตุใดเพราะเขามาฆ่าเราเนี่ยฆ่าเราไม่รู้ว่าใครฆ่าอีกต่างหากเนี่องว่าเราไปฆ่าเขาเราก็มวยไปฆ่าเขาอีกเหมือนกันเขาก็ไม่รู้ว่าใครฆ่าเขาอีกต่างหากถ้าพ้เขาถ้าเมื่อเขาสืบสอบได้เขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องผูกพยาบาทอาฆาตกัน จองเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราตรนะกูลเราไปฆ่าเขาเขาตระกูลเขามาฆ่าเราเพราะในสุดก็เลยเป็นเวรเป็นภยัยไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้แหละคือศิลข้อที่หนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าเห็นโทษว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินว่าอย่าฆ่ากันนะเป็นธรรมมาทิปไตนะ่รักษาพระพุทธเจ้าเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกวิญญาณ แกทุกดวงใจแก่ทุกคนไม่ได้เลือกชาติชั้นวันะให้ความเป็นธรรมอย่าฆ่ากันนะถ้าฆ่ากันแล้วไม่เป็นผลดีทําให้เดือดร้อนอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองธินาธานาเวรมณีอย่าขโมยคนอื่นเขาถ้าเขาเราไปขโมยของเขาหลักคําว่าขโมยคํานี้ไม่ใช่ขโมยของเล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่ของขโมยรองเท้าขโมย สิ่งของนิดๆหน่อยๆอย่างว่าขโมยพ่อแม่ของเขาลูกล้านของเขาไปเรียกค่าไทยเขามาขโมยของเราพ่อแม่พี่น้องของเราไปเรียกค่าไทยอย่างนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละถ้าหาขโมยของกันมีรถลาวัวไฟสิ่งของอะไรก็ตามถ้าของที่รักเรารักสงวนห่วงแหนถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการขโมยกันเป็นเครื่องเป็นเครื่องเป็นเรื่องที่ไม่ดีทําให้มวลมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะเป็นพักเป็นพวกเป็นบ้านตำบลอําเภอเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะมีขโมยโวยจรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดถ้าเราไปขโมยของเขาเขาเสียความรู้สึกถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียความรู้สึก นี่แหะคือสี่ข้อที่สองข้อที่สมกาเมสุมิษาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขากรักสังวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาไปล่วงล้ำอธิปไตยของเขาเขาก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีออมีผี่มีน้องมีลูกมีหลานถ้าพวกเราต่างคนต่างไม่เคารพสิทธิ์กันจุงเหยิงวุ่นวายไปหมด มีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายในชุมชนสังคมของพวกเราไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันฮะอันนี้คือศี่ข้อที่สมข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีเราอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุน๋นโกหกหลอกลวงเขาไปเขียนเช็คให้เขาบังหนึ่เสียงเช็คไม่มีเงินประกันอะไรลักษณะอย่างนั้นมีมากมายทุกวันในเรื่องโกหกต้มตุ๋นหลอกลวง ในยุคสมัยนี้สมัยโลกเจริญขึ้นมาความต้มตุ๋นโกหกก็ ย, ยิ่งมากตามมาเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็ตามเขาว่าโกหกคํานี้คือความไม่จริงเรื่องที่ไม่จริงหลอกลวงเขาต้มตุ๋นเขาเอารัดเอาเปรียบเขาสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าคนที่ชอบโกหก อ, อนั้นน่ะในชุมชนกลุ่มไหนก็ตามจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ ลูกน้องโกหกนายนายโกหกลูกน้องต่างคนก็ต่างหากความไว้วางใจกันไม่ได้เพราะนั้นการโกหกกันไม่เป็นผลดีสามีภรรยาสามีภรรโกหกภรรยาภรรยาโกหกสามีลูกโกหกพ่อแม่พ่อแม่โกหกลูกเอ่อมันจะดีได้ที่ไหนเพราะการโกหกต้มตุนตกรวงกันมันยาวไปเรื่อยเท่นะอันนี้เราคือศี่ข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมรยมัชฌาปมาง การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่แหละข้อนี้แหละเป็นข้อที่หลวงพ่อเป็นห่วงเดือนนี่แหละวันสองสามวันที่จะถึงนี่แหละวันสงกรานของพวกเราเนี่ย ล, ลูกหลานไม่ว่าลูกหลานลโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเ อ, อเป็นวัฒนธรรมเราจะเอาวัฒนธรรมดีๆให้ลูกให้หลานดูไม่ได้เหรอเราจะไปกินเหล้าเมายาเ อ, อ ล่องลําทําเพลงให้ลูกหลานเขาเห็นอันนั้นจึงถือวัฒนธรรมอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือทําก็ทําพอประมาณถ้าว่าพวกเราทําจนเกินไปลูกหลานเขาก็น่าอายเหมือนกันนะคนเฒ่าคนแก่อายุปูนี่แล้วไม่น่าจะไปกินเหล้าเมายาอทําให้ลูกหลานเขามากราบมาไหว้มามุดน้ําดําหัวไม่ได้เอเขาก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกเหมือนกันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีฮะถ้าวัฒนธรรมดีก็ต้อง อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนแต่งจุดให้ลูกหลานมากราบมาไหว้ให้ศีลให้พรแก่ลูกแก่หลานอันนั้นยังวัฒนธรรมที่ดีถ้าว่าพวกเราผู้เฒ่าผู้แก่ไปกินเหล้าเมายาเสียเพลนไม่ใช่วัฒนธรรมที่ดีนะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นเรื่องการดื่มสุราเป็นอันตรายอย่างมากต่อชุมชนสังคมใช่เมื่อเรากินเข้าไปก็ไม่ให้ไม่ให้เดือดร้อนกับใครก็ราปากของเราเรากินเอง แต่เมื่อกินดื่มไปแล้วเนี่ยทให้มันเมาพอเมาเข้าไปแล้ ว, ลวจะนี่ขับรถชนคนอื่นคาดสติและทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอให้ขอฝากไว้ไกับคณะราาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะและก็พร้อมกันทุกวันนี้เรื่องยาบ่งยาบ้าคันชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้ก็ให้สารวมให้ระวังนะลูกหลานเราต้องคิดถึงใจเขาใจเรา ถ้าสมมุติว่าเราขายใช่เราได้เงินแต่ว่าคนอื่นไปติดยาเสพติดกับเราที่เราขายไปนั่นน่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นลูกหลานของเราล่ะอถ้าเป็นลูกหลานของเราติดยาเสพติดล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรเราต้องคิดถึงใจเขาต้องคิดถึงใจเราเพราะอยู่ด้วยกันเราจะไปสบแสวงหาผลประโยชน์หาความสุขเฉพาะตัวเองแล้วให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะมันไม่ถูกนะ เพอๆนะกรรมวัวนั่นล่ะมันจะวกเวียนมาหาตัวเองกรรมมุนีนาวัตตีโลโกโลสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้เมื่อเราขายยาบ้ายาหมาคันช่ายาผินเฮโรอีนให้แก่เขาแต่นั่นล่ ะ, ะต่อไปเขาจะมาฆ่ามาป้นมาจี้มาลักมาขาโมยสิ่งของของเราไปเรามีความรู้สึกอย่างไรเพราะโจรผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นผลไม่ดีนะกนัชธาญาิโ ย, ยมลูกหลานใครจะทําสิ่งไหนก็าตาม ต้องคิดให้ดีกรรมหมูนั้นบาปหมู่นั้นมันจะไม่ไปไหนมันจะวกวนเวียนมาหาพวกเราผู้กระทำนั่นน่ะกรรมชั่วอย่าทำเสยเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วมันจะให้ผลติดตามมาเพื่อเมื่อภายหลังเพราะนั้นสิ่งห้าของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวให้แก่คณะทาญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังนี่ก็เป็นแนวทางที่พวกลูกหลานทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจ เพราะเรียนหนังสือจบแล้วก็ไปทาํท า, าการทํางานหางานหาการทํำแต่ไม่ได้ใฝ่ในการศึกษาในศีลธรรมพอเ น, นี่พราะนั้นพวกเราได้ศึกษาแล้วเป็นยังไงศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ฟังนี่มีคุณค่ามีประโยชน์นะคณะสทรา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะแล้วก็พระพุทธเจ้าทันว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีท่านว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราอยากจะพิสูจน์ให้ลึกตรงไปอีก เพราะวิชาทุกแหนงต้องสืบต้องดูนะต้องสืบต้องดูเพราะอะไรเพราะมีการสืบเนื่องทั้งนั้นในการเป็นอยู่ของพวกเราเพราะนั้นพวกเรารู้คุณค่าของสินและทาแล้วตอนน่อไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสิน นะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนานิพุติงยันติตัสมะสีลังวิโสธาเยเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยยังค่อยอสงน้ำหรือมุดน้ำดำหัวตามประเพณีเพราะนั้นพวกเรานานๆได้มาเจอมาพบกันหลวงพ่อเองก็ อ, อยากจะพบลูกหลาน เหมือนกันนะหลวงถึงหลวงพ่อจะอยู่ในป่าวัดป่าดงพงภัยก็อยากจะพบลูกหลานเหมือนกันนานนานทีพวกเราจะได้มาพบมาเจอมาเห็นพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมาตากันวันนี้ก็ท่านนายอำเภอนายูงของพวกเราได้มาทำพิธีมุดน้ดราหัวพระ อ, อยู่ในพื้นอำ เ, อำเภอนายูงของพวกเรา พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยตลอดถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันพวกชุมชนต่างๆของอำ เ, เภอนายุงที่มาร่วมกันในวันนี้นะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งสำหรับคนในท้องถิ่นของเราที่ไดมาพร้อมกันถึงขนาดนี้หลวงพ่อยังมองไม่เห็นที่เราจะรวมกันได้มากถึงขนาดนี้ วันนี้รู้สึกว่าศาลาข้างบนและข้างล่างขอเต็มไปด้วยคู่คนลูกหลานทั้งหมดถือว่าลูกหลานให้ความสำคัญในการทําพิธีมุดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์พระฝ่ายพระสงฆ์เพราะนั้นหลวงพ่อในนามคณะสงฆ์พระสงฆ์ในท้องถิ่นของพวกเราหลวงพ่อเองก็ขอกล่าวย้ำเตือนในสิ่งที่เห็นว่าหลวงพ่อมองว่าเห็นว่า สิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตของพวกเราหลวงพ่อเจตเตือนด้วยเจตนาดีไม่ได้คิดอะไรพอพูดแล้วก็จบนะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่หลวงพ่อเตือนหรือบอกกล่าวนี่หลวงพ่อเป็นห่วงเคยพูดกับส่วนหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นส่วนย่อยแล้วก็บงบอเอออำเภอนายูงของพวกเรานี่ถ้าจะว่าไปแล้วรถรา ป้ายแดงออกมาเป็นระยะระยะเพราะเหตุใดเพราะมั่นใจว่ายางพาราของพวกเรานี่ขายได้ดีและก็ปลูกคนละเพียงพอสำหรับที่จะออกรถได้ยางคุณราคาแพงอีกต่างหากข้าวโพดคุราคาแพงมันสาปะหลังคุราคาแพงพวกชาวอำเภอนายู น, ามม น, น้าโสมในถิ่นี้ดินก็ดีใช่ได้ เราก็ลืมตาอ้าปากได้แต่พูดแบบอีกเดียบแบบหนึ่งถ้าพูดอีกแบบถ้าไม่เวอร์เกินไปก็ว่าเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะในอำเภอสองสามอำเภอของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็เป็นห่วงเศรษฐีใหม่จุกนี้ลหละคือพวกเราได้เงินมาแบบง่ายๆไปกีดตอนเย็นตอนเช้ามาขายก็ยังได้ได้เงินกิโลละเท่าไหร่อย่างขี้ยางอย่างเนี้ย กิโลทั้งเจ็ดสบปดสิบาทจะหาได้ที่ไหนเงินแปดเจ็ดสิบแปดสิบาทน่นะทนี้ไม่ไม่ใช่แต่เงินกิโลสองกิโลเราขายเป็นร้อยเป็นพันกิโลอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่เพอเอยังแข่งกับส่วนราชการได้อย่างสบายเพราะเหตุายเพราะว่าเราได้เงินมาแบบไม่ง่ายเพราะเราขายอย่างนี่แหละคำว่าได้ง่ายจุดนี้แหละหลวงพ่อเองที่เป็นพระอยู่ในวัดพอกินฉัน บินธบาดกับลูกหลานเข้าร้ายยุ่งร okay. ้ายฉางอย่างที่ว so, nice. so ่านั่นอ่ะก็อดวิตกกังวลกับลูกหลานไม่ได้โอ้ลูกหลานถ้าได้เงินมาแล้วถ้าไม่รู้จักเก็บนะไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษานะเงินมันหมดได้นะเมื่อกับน้ําในลํารางของพวกเราเนี่ยเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นเวลามันลงมันก็ลงเวลาน้ําโขงมันขึ้นมันก็ขึ้นเวลาน้ําโขงลงมันก็ลงแต่ถ้าเราไม่รู้จักกักตุนในขณะที่น้ํากําลังขึ้นเนี่ย หลวงพ่อวิต ก, กังวลกับลูกหลานนะนะเพราะนั้นเวลาน้าขึ้นให้พวกเราควรจะแบ่งเอาไว้ว่าขายยางคราวนี้ได้เงินเท่านี้ควรจะแบ่งไว้สักครึ่งหนึ่งฝากธนาคา ร, กรเกษตรกรของพวกเราธนาคา ร, กรเกษตรของเราก็อยู่กับบ้านอยู่แล้วอยู่ที่นายูงอยู่แล้วเราไปฝากที่ไหนก็ได้ออมสินก็ได้ไปฝากที่ไหนได้ฝากในธนาคารเอาไว้ เพื่อใช้ในอนาคตแต่เมื่อคราวจําเป็นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าลูกหลานใครมีความจําเป็นจะต้องได้ใช้เงินเราก็จะได้เอาเบิกออกมาใชเ้เพราะฉะนั้นช่วง น, นี้เมื่อเท่าแก่ชรามาเราหาเงินไปได้กีดยางไม่ได้เราก็จะได้ใช้เงินก้อนนี้เงินที่เราเก็บไว้ไม่ใช่เก็บเพื่ออย่างอื่นเก็บเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนถ้าพวกเราไม่รู้จักเก็บนะ ได้มามือใช้ทะลุมือขวาออแบ่งกันไปเรื่อยแบ่งใช้ไปเรื่อยใช้ให้หมดมันก็หมดเรื่องเงินนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเราใช้อิรุยชุยแชกไม่รู้จักเก็บนี่หละบางคนยังรับพอได้เงินมาแล้วนู่นไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาเลี้ยงกันอีกต่างหากตบห้โลกอะไรอีกต่างหากผลที่สุดออความจิบหายกดพยายามคืบคานเข้ามาเรื่อยเป็นหนี้เป็นสินผลที่สุดออสวนยางที่กลีดอยู่ก็ ไม่เป็นตัวของตัวเพราะเป็นนี่เป็นศิลพะลุงพลังเพราะฉะนั้นก็ต้องขายให้นายทุนไปอีกนายทุนกับมาซื้อไปขายอีกตัวเองก็เป็นคนเกีดยางอีกต่ําต้อยลงไปอีกอย่างเก่านี่แหละขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าพวกเราลูกหลานทั้งหลายไม่เป็นตัวของตัวไม่เข้มแข็งไม่รักษาสถานะของตนเองเอาไว้ให้ดีเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นการกล่าวเตือนย้ำให้พวกเราให้มีหลักเพราะพวกเราจะตั้งตัวตั้งตนได้แล้วเนะี่ยแต่พวกเราเทำตัวไม่ดีซะ เ, เป็นรักเรงหัวไม้อบายะมุกซะทำให้เราร่มจมจิบหายถ้าว่าพวกเราตั้งตัวได้ดีถ้าเรามีเงินมีฝากไว้ในธนาคารลูกหลานของเราไปเรียนหนังสือส่งไปเรียนหนังสือปริญญาตรีโทเอก คนที่สุดพวกเรากิมีลูกมีหลานมีคุณภาพมีศักยภาพในชุมชนในสังคมของพวกเราแต่ไม่ใช่ว่าได้มาเลยเออกมาเลี้ยงชื่อเรามาเลี้ยงลูกเลียเล้ยงหลังเลี้ยงหลานเลี้ยงคันชายาวยฝินเฮโรอีนโมกมุ่นไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีในชุมชนสังคมของพวกเราอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะลูกหลานกนัทถาญาดโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายอาุแล้วก็ให้ฟังส่วนรัชการที่ท่านแนะนําบอกกล่าว อ่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยแหะเป็นพระสงฆ์ซื่อสัตย์สุจริตพูดตรงไปตรงมากับลูกกับหลานกับญาติกับโยมไม่มีเลี่ยเหลี่ยมไม่ได้มีเล่กนอะไรที่จะเอารัดเอาเปรียบ ก, กับพี่น้องประชาชนมีอะไรกับพูดให้ฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อ่าแล้วก็เพื่อให้พวกเรานําไปคิดนําไปพิปพจารณาอีกต่างหากไม่ได้พูดไม่ได้พูดให้อารมณ์โกรธโมโหโกรธาไม่ใช่นะเพราะหลวงพ่อไม่สอนให้ โกรธไม่มีเหตุไม่มีผลก็ไม่ดีอะต้องให้จิตใจมั่นคงต้องคิดให้ดีว่าหวงพ่อพูดไปเนี่ยเออนําไปคิดนําไปพิจารณาไต่ตรองเลยสิลูกหลานเอพอเหตุพอเหตุอ เ, หตเออใช่ข้าวไปเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเออใช่ไม่เป็นก็ดีแล้วแต่คนอื่นที่มันเป็นล่อแหล่อ ย, อยู่นั่นแหละก็มีอยู่อเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านกล่าวเตือนซึ่งกันและกันถ้าพวกเรา มีหลักมีฐานมั่นคงดีแล้วนั่นแหละท่นี่ประเทศชาติของเราก็บจู่เย็นเป็นสุขอำเภอนายูงของเราก็เป็นอำเภอที่ต่อกรเป็นอำเภอสุดท้ายปลายแดนที่ไม่มีใครอยากจะมาดูมาแลแต่บัดนี้ต่อไปภายภาคหน้าท่ายางเป็นอย่างนี้นะอำเภอนายูงของพวกเราเนี่ยจะเป็นสง่าราศีขึ้นมาเห็นได้ชัดแหละเงินหมุนเวียนสะพัดในอำเภอนายูงน้ำโสมเนี่ย อาทิตย์หนึ่งเป็นหลายหลายหลายหลา ย, ล, ายล้านทีเดียวแหละ เ, เมื่อคนมีเงินสะพัดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาใครจะมองข้ามไม่ได้ทีนี้พวกเรามีเงินแต่รู้จักเก็บกักตุนไว้ไหมนั่นแหละจุดนี้แหละถ้าเราไม่รู้จักเก็บกักตุนเอาไว้พวกเราจะต่อไปก็อย่างที่ว่านั่นจะเป็นคนกรีดยางให้แก่พ่อค้านายทุนต่อไปเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะ เงินมาใช้แล้วมันหมดเป็นนะหลวงพ่อจะเล่าเป็นชาดบอกให้ฟังในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้ามีอุปถากท่านหนึ่งชื่ออนาถาบดิกะเศรษฐีคือเป็นโยมอุปถากใหญ่ทั้งเช้าทั้งเย็นต้องดูแลพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นิมนต์ไปฉัน เ, เป็นทีละห้าร้อยทีละพันรูปไปฉันที่บ้านเศรษฐีอนาถามดิกะเศรษฐีท่านกนเลี้ยงดูพระสงฆ์ ด้วยความผาสุกแต่ตระกูลของท่านมีพี่น้องโดยการหลายคนท่านก็แบ่งแบ่งมรดกให้พี่น้องแบ่งมรดกให้พี่น้องเท่าๆกันท่านก็ได้มรดกมาส่วนหนึ่งแต่มรดกของพี่มีหลานนทมีหลานของบริหารไปเถะผลที่สุดก็ไปติดเหล้าแท้ๆกินเหล้าเมายาการพนันหมดตัว อาณาถาเบดีิอาถาเกาเสษยทีเนี่ยเป็นพุทธะอุปถาพระพุทธเจ้ามีแต่เจริญมีลูกน้องบริวารมากมายมีเงินอยู่ในคงในคลังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่หลานคนนั้นนะ่ะมดเงินหมดตัวแล้วก็เข้ามาข อ, อมาขอขอเงินจากลุงจากจากพี่ว่างั้นเอจากจากจากพี่โอ้ยเอาให้ไป เอาไปแล้วให้ตั้งตัวนะก็ให้ไปครับเอาไปก็ไปกินเหล้าอีกอย่างเกา่าพอมันหมดแล้วก็เข้ามาอีกเอามันไปที่ไหนเงินเอาไปให้เมื่อไม่นานมาเนี่ยครับผมก็เอาไปใช้ครับเจ อ, อจุนครอบครัวคือเงินไม่ได้ค้าขายเนี่ยมันพอได้มามันไหลเร็วนะถ้าเงินทําเงินค้าขาย ถ, าถ้ามีรายได้ชดเชยมาอยู่นะมันจะไหลออกทีละน้อยละน้อยมันก็ไหลช้านะถ้าคนไม่มีอยู่แล้วเนี่ยม ไปได้แต่มันไหลออกยิ่งเร็วเลยเออ่ยแล้วก็หมดเอาแล้วก็หมดเอาพอมาทีเอ้ามันไปยังไงก็สืบสอบดูแล้วเออไอันนี้มันติดเล่าติดการพนันไม่ได้นะอย่าทําะอย่ามาขออีกนะถ้ามาขออีกไม่ได้นะคราวหน้านะเอีเราจะใช้มาตรการเด็ดขาดนะอไอ้ไอ้พี่นี่ก็บอกกับลูกพี่ลูกน้องกันเหมือนกันผลไม่สุดมันก็มาอีกอย่างเก่าเพราะมันมีไม่มีทางไปพอมาเขาวนี้ อาณาถาบม่ดีก็เอาคือคาใส่คอเข้าไปแล้วงั้ น, นสมัยนะั้นเขาไม่มีเขาไม่มีโซ่ตวนอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมเขาก็มีไม้ล็อกคอดึงลากออกไปจากบ้านของเขาเลยเขาไม่ได้เก่งใจระบาดเพราะมันเป็นไม่ดีทําให้จุ่งเยิงวุ่นวายเสียตระกูลอีกต่างหากไปนี้อย่าเข้ามานะถ้าเขามาบัดข้าวหน้านี่โดนไม้เลียวหวดหลังเหมือนกันจากนั้นก็เข็ดเลยแต่ถึงจะทุกจนยังไงก็เข้ามาหา บ้านพี่บ้านพี่พี่ไม่ได้ทนีไปอยู่ไปจากนั้นอนาาถาไมดีกับเสรษฐีก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าตอนบ่ายเออเขบอกว่ามหาไอเสียฐีไปยังไงมาไงวันนี้มาตอนบ่ายโอ้ข้าพงค์ได้จัดการกับพวกหลานที่เป็นตระกูลเดียวกันนี่แหละแบ่งทรัพย์สมบัติให้พ่อเขาแล้วก็มาหลานของเขาก็น่าจะตั้งตนตั้งตัวได้กลับมาเป็น นักเลงหัวไม้อีกเป็นนักเลงสุราดื่มสุราแล้วก็เล่นการพนันทรัพย์สมบัติของพ่อที่แบ่งกันเท่าๆกันเศรษฐีไม่รู้กี่กี่โกรเ อ, อเขาว่าโกดคือสิบล้านเหมือนกันแตออ่เขาไม่ได้เขาได้นับเขาไม่นับเป็นล้านเศรษฐีอาถามมันดีกับแปดสิบโกดอย่างเนี้ยแปดสิบโกรกับสิบสิบคูณแปดสิบเป็นเท่าไหร่เป็นกี่ล้านก็น่าจะเพียงพอนะ แต่นี่เขาเอาเอาไปใช้อย่างไงก็าไม่รู้เนีเสียหายปนปี้ไปหมดฆ่าพระองค์เลยอดทนทนไม่ไหวเพราะมันหลายครั้งต่อหลายหนก็เลยใส่คือข้าวลากออกจากบ้านไปเมื่อเกี้เนี่ยก็เลยมากราบพระพุทธองค์นี่แล้วพระพุทธองค์บอกว่าโอ้เด็กคนเนี้มันเคยมาแล้วในอดีตชาติพระพุทธเจ้าแต่บอกมันเคยมาแล้วมันเป็นมาแล้วในอดีตชาติสมัยไหนพระเจ้าขาดพระพุทธองค์บอกว่า สมัยหนึ่งมีเศรษฐีเออมีเศรษฐีใหญ่แอแล้วก็ทำมาค้าขายอย่างที่นี้ร่ำรวยพอต่อมาที่นี้ท่านก็รวยมากก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งพอมีลูกชายคนหนึ่งพ่อก็เลยพ่อนี่ตั้งโรงทานในเมืองเนี่ยตั้งโรงทานสี่สี่ประตูเมืองสี่ทางเข้าเมืองแล้วก็มี มีโรงทานใหญ่อยู่กลางเมืองเวลาคนเข้ามาเนี่ยเออเวลาคนเดินทางมาติดต่อการทรมาค้าขายไม่มีอันจะอยู่จะ ก, กินอา้าเข้ามาโรงทานท่านก่เลี้ยงมาปต่อทางทิศเหนือที่ใต้ ต, ตะวันตกท่านก่อเลี้ยงไม่แปลว่าโรงโรงทานไม่แปลว่าโรงไม่เก็บเงินถ้าคนเดินมาจากทางไกลจากเมืองอื่นๆมาเข้ามาแล้วไม่มีที่พักพาอาศัยไม่มีเงินจะซื้ อ, อท่านก่อเลี้ยง ท่านมีน้ำใจกันเขาบอท่านเป็นเศรษฐีเข้ามาถึงกลางเมืองแล้วออกหากินไม่ได้เอาเลี้ยงในเมืองอีกทศารรษก็คือมีท่านมีอยู่ห้าหกโรงหกโงทานนะแท่านตั้งไว้หกโรงทานแต่นี้พออายุท่านก็มากขึ้นมากขึ้นทรัพย์สมบัติก็มีเยอะเพราะนั้น่านก็เลยตายพอตายท่านก็ไปสู่สวรรค์เป็นพระอินทร์เออขึ้นไปอยู่สวรรค์ได้เป็นพระอินทร์ พรจิตใจของท่านกว้างขวางนีพระอินทผู้ที่จะเป็นพระอินท์ได้เนี่ยต้องจิตใจกว้างขวางมีน้ําจิตน้ําใจเผือแผ่ให้แก่ปวงประชามีเมตตากับทุกคนจช่วยเหลือสงเคราะห์อะไรใครได้ก็สงเคราะห์ไปอันนี้เนี่ยคือนิสัยของผู้ใหญ่ท่านก็เกิดเป็นพระอินทตอนนี้ลูกชายของท่านน่ยสืบทอดพ่อใช่ไหมพอสืบทอดไปพ่อไปมาก็ใช้เงินใช้เงินก็ปิดโรงทานใช่ปิดตรงนั้นปิดลงนี้เอาไปมาปิดหมดพอปิดหมดท่านก็ เอาละเถอะตั้งวงกันเล่นการพนันเล่นการพนันกินเหล้าเถอะพ่อกินเหล้าเข้าไปมันขาดสติมันเสียหายหมดเลยเถอนี่ทรัพย์สมบัติของพ่อที่หามาไว้ในคงในคลัง เ, เกลี้ยงหมดเลยเถนี่พระ อ, อินทร์อยู่ชั้นสวัสดิ์เลยมองลงมามาเห็นลูกชายโอ้ลูกของเรานะเนาะเราก็รักเหมือนหัวแก้วหัวแหวนสมัยเรายังอยู่ในเมืองมนุษย์แต่บัดนี้เขายังไม่ตาย เขาก็ทุกยากถึงขนาดนี้ถ้าเราไม่ลงไม่ลงไม่ดูไม่แลเขาเนี่ยเราก็ขาดเมตตาอย่างมากเพรา ะ, ะนั้นเราคงคงลงจะลงไปช่วยเขาให้เขาสำนึกได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาเนี่ยตกทุกข์ได้ยากแล้วคล้ายๆไปอาศัยบ้านคนอื่น เ, เป็นอาศัยชายคาคนอื่นหาอยู่หากินแล้วจนเต็มที่แล้วแถ้าเราลงไปช่วงนี้ก็ลงไปช่วยเขาเขากคงจะสำนึกได้เขาคงจะเป็นคนดีได้ เพรเขาตกต่ําสุดๆแล้วเขาเห็นโทษแล้วการไม่มีเงินคําทรัพย์สมบัติเนี่ยการเลี้ยงชีพอย่างนี้เขาคงเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วเราควรจะลงไปช่วยเขาพระอินทร์ก็เลยปลอมแปลงลงไปปลอไปก็เออลูกยอดที่ลักลูกนี่คือเหมือนกับตัวเองเป็นพ่อเขาอย่างเก่านิลมิตรเป็นพ่อเขาเป็นไงลูกไปยังไงมายัางไงโอ้ผมทุกจนครับทุกข์จนเพราะอะไรทุกจนเพราะผมเล่นผมเที่ยวใช่ไหม กินสุราใช่ไหมเล่นการพนันใช่ไหมอบายยมุกทุกอย่างใช่ไหมลูกต่อไปนะี่อย่าทำหนะ้าลูกนะอันนั้นคือเครื่องหายนะนะการเที่ยวดื่มน้ำเราเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันรบคนชั่วเป็นมิรเกียตข้านทำการงานสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทางหายนะทางจิบหายนะลูกนะให้หยุดนะตอนนี้ต่อไปพ่อจะให้หมอใบหนึ่ง หม้อใบนี้นะเป็นหม้อสัตว์แก้วสารพัดนึกเป็นหม้อสารพัดนึกถ้าลูกอยากจะได้เงินก็ให้ล้วงมือเข้าไปในหม้อนี้อยากจะได้เงินเท่าไหร่แล้วก็เอามาเลี้ยงชีพนะลูกนะอให้เลี้ยงชีพได้นี่พ่อให้หม้อลูกหนึ่งแก่ลูกให้ลูกต้องการแล้วแต่ล้วงมือเข้าไปแล้วแตซื้อเอาหงซื้ออาหารอยากจะทาํามาค้าขายอะไรก็เอาเ อ, าเอาได้เลย พอให้ประธานม้อให้ใบหนึ่งจากนั้นพระอินทร์กับหมอบม้อให้ใบหนึ่งพอมอบหม้อให้เสร็จแล้วก็พระอินทร์ก็กลับสว ง, ส ว, งสวรรค์ไป อ, อยู่สวงสวรรค์ไอ้ไอ้หนุ่มคนนั้นก็พอได้หม้อไปนั้นก็ล่วงมือเข้าไปโอ้ที่แรกก็เป็นคนดีเพราะตัวเองถูกทุกทุกทุกทุกในยากมา ก, ก่อนนะตั้งตนเป็นคนดีทีเดียวแล้วงั้นแต่ไม่แตะสุราไม่ดื่มเหล้าไม่อะไรทั้งหมดก็ก็รู้สึกว่างอกเกยขึ้นมาเรื่อยเลื่อยเลืมมาค้าขาย พอขึ้นมาในระดับหนึ่งลืมตัวเอกทีนี่นี่แหละคนมันเป็นอย่างไงนนิสัยชั้นดอนชันดานมาอยู่ในใจเนี่ยลืมตัวเอ็กเนี่ยพอลืมตัวทีนี่ก็กินเหล้าเข้าไปพอกินเหล้าเข้าไปก็คิดสนุกนโยนหม้อขึ้นโยนหม้อเล่นเห็นแล้วใช่ไหมเออไม่มีอันจะโยนเพาะเงื่อนไโยนไปโยนมาหม้อก็พลัดมือตกแตกโต๊บบาดหม้อแตกแล้วพวกเราคิดว่ายอย่างไงถึงพอหม้อแตกทีนี่ลูกเศรษฐีมด ถ้าทีนี่จะหาเงินที่ไหนได้พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ท่าก็มองเห็นอีกโอ้ไอ้คนชั่วนถึงจะเลี้ยงยังไงมันก็เลี้ยงไม่ขึ้นถึงจะชุบยังไงมันก็ชุบไม่ึ้นถึงจะแนะนําอย่างไรมันก็แนะนํำไม่ขึ้นเพราะความชั่วมันมาจากสันดานสันดอนของมันเอาเถอะปล่อยตามกรรมของมันเถอะกรรมมุนินาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่มันได้กระทํามาในอดีตชาติยังไงก็ให้มันใช้กรรมไปเถอะ เราจะไปช่วยได้ขนาดไหนเราช่วยได้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือชาดกที่ท่านยกขึ้นมาในครั้งพุท ธ, ธากาลเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกคนลูกหลานทุกคนนะฟังไวนะ้นะนิทานเป็นกระจกเงาเป็นเครื่องนำทานํำพาชีวิตของพวกเราถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติดีแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าทาตัวไม่ดีแล้วพระอินทร์ก็ช่วยไม่ได้ <Yeah. S 1> พูดง่าย พระอินทร์ก็ช่วยไม่ได้ผู้พ่อเนี่ยรักแสนรักรักลูกนะก็ยังช่วยไม่ได้เพราะเหตุไรพราะช่วยคนชั่วนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านเนี่ยสิ่งไหนที่มันชัว่วอย่าทําทําแต่สิ่งที่ดีนะถ้าเมื่อทําสิ่งที่ดีแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะลูกหลานทุกคู่ทุกคนขอฝากไว้แล้วก็พร้อมกันวันตอนนี้ไปก็เป็นวันสงกรานก็ให้ให้รู้จักมากราบบุญคุณของพ่อของแม่ พ่อแม่ของเรายัางมีชีวิตอยูก่ก็ถือขันคารวะไปหรือว่าไปมุดน้ำดำหัวถือขันน้ำไปไปสงไปลดพ่อแม่จากนั้นก็นำเงินที่เราได้มาถึงจะมากหรือน้อยก็ไปใส่มือของท่านลูกๆห ล, ลายๆคนคนละร0อ2สองร้อคนละพันคนละหมืน่นก็ว่ากันไปเพื่อให้พ่อแม่ของเราได้ใช้ นี่แหละอันนี้แหละคือทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นบุพภการี บ, บุคบุคคนผู้มีอุปการะก่อนท่านได้เลี้ยงดูเรามาพวกเราก็ควรจะแสดงความกระตันอยู่กรเวทิตาเพราะฉะนั้นการที่ไปดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ของเล็กน้อยนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเราควรจะพาลูกพาหลานของเราเข้าไปกะไปคารวะปู่ย่าตายายของพวกเราในเมื่อเราเป็นปู่ย่าตายายลูกหลานของเราจะเข้ามากบาบคารวะเรา เหมือนกับเราพาไปกราบครวะพ่อแม่ของเรานั่นแหละอแต่นี้กับเมื่อเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นมาลูกหลานก็มากราบมาไหว้มาครวะพวกเราก็ให้ศีลให้พรเมื่อเราทําดีแล้วความดีก็จะไหลเข้ามาหาเราออยากจะให้ลูกหลานดีต้องทําดีให้ลูกหลานดูเอยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทําดีให้ลูกดูอยากจะให้ลูกน้องดีก็ต้องทําดีให้ลูกน้องดู เพรอ้นั้นพวกเราที่เป็นอยู่ในระดับไหนก็ทําดีในชุมชนในสังคมดีนั่นคืออะไรก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปสำลเีเทเมาอย่าไปเล่นอบายยมุกอย่าไปกินยามา마 ย, ยาบ้าคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเป็นคนดีจะเป็นคนละลานแก่คนอื่นให้มีสำมาคารวะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักสูงรู้จักรู้จักคุณพระคุณของพ่อแม่ปูย่ย่าตายาย ให้รู้จักวยยวุฒคุณวุฒิถ้าเราทำได้ขนาดนี้แะเป็นคนดีจากนั้นก็เออเอาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติหาหนทางใส่ตัวเองหาบุญหากุศลใน ต, ตัวเอง เ, อเราเป็นครวดเร า, าก็สสแสวงหาทรัพย์ทรัพย์คืออะไรคือปัจจัยสี่หาเงินขึ้นมากับเพื่อซื้อผ้านุ่งห่มยื้อยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บสร้างบ้านที่อยู่อาศัย แล้วก็ซื้ออาหารการบริโภคไอันนี้ก็คือปัจจัยสี่เราหาปัจจัยหาเงินมาเพื่อเลี้ยงปัจเลี้ยงร่างกายคือปัจจัยสี่แต่ธรรมะที่พวกเราเข้ามาในวันนี้ละ่ะที่ได้ยินได้ฟังเข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยอันนี้คือหาอาหารเข้าสู่จิตใจนะพวกเราให้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าพวกเราจิตใจของเรามีหลักมีเหตุมีผลเป็นบุญเป็นกุศลแล้ว อยู่ณสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขทั้งว่าพวกเราใจของเราไม่มีไม่มีบุญไม่มีกุศลเมื่อเท่าแก่ชรามาไม่เคยเข้าวัดเลยไม่รู้จกัจกศีลจักธรรเลยไม่รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลเลยมีแต่หาใส่ปากใส่ท้องเป็นวันๆไปเอเมื่อเท่าแก่ชรามาเอ้ยเป็นไงเจ้าป่วยขึ้นมาแล้วไม่หายแล้วคราวนี้น่ะโอ๊ยทํายังไงจะหายอ้าวนูน่นไปกราบไปไหว้ไปอขอ ไปดูหมอดูหมอเดาไปไหว้พระภูมิเจ้าที่เขาแนะนำไปะไรไ ป, ไปมดก็เห็นอะไรพราะกลัวตายเออแล้วลึกถึงคุณงามความดีของตัวเองก็ไม่มีอีกต่างหากที่พอไม่ได้ไม่เคยคิดจะทำบุญไม่คิดว่าตัวเองจะตายเออแต่ทุกคนไม่หนีไม่พ้นนะเพราะนั้นขอให้พวกเราคิดสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าคนมีจิตใจเป็นหลักแล้วมีบุญมีกุศลในใจแล้วจิตใจมีหลักแล้วใครจะ พูดแนะนําอย่างไรเอ่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายเอยบุญกุศลข้าก็ได้ทําไว้แล้วก็จ ะ, จะทํำยังไงได้อายุถึงหกสิบเจ็ดสิบแดสิบก็มาแล้วไม่ตายจะทํำยังไงเอาเถอะถึงข้าแล้วก็ต้องตายเหมือนกับคนทั้งหลายนั่นแนะ่ะเขาตายไปก่อนแล้วเราก็จะต้องตายไปตามเขาจะทํำยังไงได้แต่บุญกุศลข้าได้ทําไว้แล้วไม่แพ้ใครถ้าข้าตายไปแล้วต้องไปในทางที่ดีฮะอันนี้มันเชื่อมั่นในตัวเองนะถ้าพวกเราไม่ได้ทําเอาไว้ ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ไม่ได้ใส่ใจเอาไว้พอเขาแนะนำอย่างไรเชื่อหมดนะทนนีโอ้ถ้าเจ้านี่กินขี้หมานะเนอะจะไม่ตายถ้ากินขี้หมาก็จะกินขี้หมาอย่างที่เขาบอกเพราะกลัวตายเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราไม่มีหลัก เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราสร้างหลักกิจตักใจเข้าสู่ตัวเองนะถ้าพวกเราทำอย่างนั้นได้ลุงพออ่อวะสบายอยู่ทางโลกมีปัจจัยสี่ก็สบาย ทางธรรมะและลึกถึงคุณงามความดีในใจก็สบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจเนีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะที่มาในวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากลากไหลขอให้พวกเรานําไปคิดนําไปพิจารณาไต่ตรองเหตุและผลตามที่หลวงพ่อได้กล่าวการพูดและการกล่าวสมโภชนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติด้วยอํานาจคุณพระสี